ธรรมฐานที่เป็นด้านอริยญาติหรือเป็นด้านอิทธิธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตแต่เมื่อที่ที่แล้วอิจงานอีกไม่สามารถที่จะมาบรรยายได้ในตอนบ่ายแต่สมาธิโดยบรรยายชกใช้ในตอนค่ำที่สถานีวิถียุติไปแล้วด้ทุก เ, เรื่องเกี่ยวกับคผลของสมาธิจิต ให้ทังหลายได้ทราบไปตอนหนึ่งครั้งที่ได้ได้พูดถึงเรื่องสมาธิวิปภาราอิธิคือได้พูดถึงเรื่องของลิสิบอย่างแล้วก็ได้พูดไปทั้งหมดห้าอย่างคือได้พูดถึงเรื่องอธิฐานาอิธิวิปพนาอิธิมโนมยาอิธิยานวิปภาราอิธิและสมาธิวิปภาราอิธิ เมื่อพูดถึงสมาธิวิภาราอิทธิแล้วก็ยังไม่จบแต่เวลาของรายการของเรานะไดหมดไปซสก่อนก็เลยเพูดทิ้งไว้ถึงเรื่องเกี่ยวกับพระสารีบุตรกับพระสันชีวเทระทั้งสองรูปเนี่ยท่านรอดพ้นจากความตายมาได้ก็ด้วยอำนาจของฤทธิ์ที่เรียกว่าสมาธิวิภาราอิทธิคือฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิ คอยปกป้องรักษาไว้แต่ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ควรจะนำมากราในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของท่านผู้มีฤทธิ์แล้วก็ฤทธิชนิดนี้ก็คือสมาธิที่ท่านได้นั่นเองเป็นผู้คอยคุ้มครองรักษาชีวิตของท่านให้รอดพ้นจากความตายมาได้ในวิสุทธิมรรนี้ท่านด้ยกตัวอย่างเช่นพระชานุ โอนธัญยะเถร ะ, ะคือท่านขาหนุโกนธัญญะเถระท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีสมาธิจิตสูงครั้งหนึ่งท่านไปนั่งเข้าสมาธิคือนั่งเข้าสมาบัติที่ป่ า, าเผอิญมีโจรป ก, กหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในพระบาลีท่านใช้คำว่าโจรห้าร้อยถ้าพูดถึงโจรห้าร้อยแล้ว ในปัจจุบันนี้เราอาจจะคิดว่าแม้จํานวนเลขมันจะเกินเหลือเชื่อไปมีที่ไหนกันโจรมีจํานวนตั้งห้าร้อยถ้ามีจํานวนมากมาอย่างนี้มิมิกลายเป็นโจรการเมืองคอยปล้นบ้านต้นเมืองไปดอกหรือความจริงเรื่องจํานวนตัวเลขที่มีอยู่ในบาลีพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะลงห้าร้อยเนี่ยแม้แต่พระสงฆ์ก็ห้าร้อย เราจะพบคำว่าปัญจมัสเตหิตในบาลีเนี่ยหลายตอนด้วยกันปัญจมัตเตหิตพิคขุสเตหิตหมายถึงว่าเมื่อพระสมาสมาสำพุทธเจ้าท่านจะเสด็จพุทธดำเนินไปสู่นครหรือชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามก็มักจะมีพระสงฆ์ตามเสด็จห้าร้อยรูปจนกระทั่งเป็นที่พูดติดปากกันว่าห้าร้อยเนี่ยเป็นจำนวนที่มากมายอยู่ซึ่งอาจจะไม่ถึงห้าร้อยก็ได้ หรืออาจจะเกินห้าร้อยก็ได้แต่ก็มักจะใช้คำว่าห้าร้อยเป็นประจำในทางภาษาไทยเราถ้าพูดถึงห้าร้อยก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยจะดีเป็นคำดา่าด่าทอกันถ้าพูดถึงคนบ้าก็บอกบ้าห้าร้อยจําพวกโยบางคนก็เลยด่าเอายกเฉพาะตัวเลขขึ้นมาว่าห้าร้อยก็มีอย่างเนี้ความจริงเรื่องตัวเลข เกี่ยวกับโจรห้าร้อยก็ดีพระสงฆ์ห้าร้อยก็ดีอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะปัจจุบันนี้โจรบางกกนี่เกินห้าร้อยก็มีเช่นอย่างกองโจรที่อยู่ทงางตะวันออกกลางโจรอาหรับเนี่ยเกินห้าร้อยแล้วก็แม้แต่โจรบางประเภท ท, ที่เราเรียกกันว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็เกินห้าร้อย บางแห่งก็มีเกินห้าร้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าโจรห้าร้อยสมัยก่อนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ อ, อเป็นความจริงว่าโจรกกหนึ่งก็กหนึ่งอาจจะมีถึงห้าร้อยคนก็ได้เป็นกกใหญ่ๆแล้วก็โจรพวกนี้ทับร้นที่ไหนก็เป็นอันว่าที่นั่นก็แยกระหว่างนั้นท่านพระคานุเนี่ยท่านไปเข้ากรรมฐานอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึง่ง โจรพวก น, นี้ไปปล้นมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบขนเข้าของกันมาเป็นจำนวนมากทีเดียวเสร็จแล้วก็มาวางแหมะไว้บนด้านของท่านขาหนุเถระเนี่ยท่านกำลังเข้ากรรมฐ า, านมีอะไรอะไรก็ไปทับถมองค์ท่านไว้ถ้าว่าเป็นคนธรรมดาก็แบนไปแล้วแต่ที่ท่านเข้าสมาธิก็ไม่ไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใดพอโจรเอาของวางเสร็จแล้วของมันก็ไหว ที่ไหวเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังจะออกจากสมาธิท่านก็ขยับตัวท่านของก็ไหวพอของไหวพวกโจรพวกนั้นมันก็เห็นว่าเอสเสถระรูปนี้คงจะฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะร้องเออะโวยวายพวกแกก็จะแย่ก็ำาำ่าจะประทุสลายท่านท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอุบาสกเรานะ่ะไม่มีอะไรหรอกเสร็จแล้วท่านก็เลยเทศนาโปรดโรดพวกโจรห้าร้อยเนี่ย จนกระทั่งโจรใจอ่อนโจรทั้งหมดยอมบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะท่านขานุเทระท่านเทศโปรดโจรพวกนี้จะต้งโจรกลับใจเลิกละทิ้งจากความเป็นโจรแล้วก็เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างนี้ก็มีนี่ก็ด้วยอํานาจของสมาธิจิตเนี่ยไปรักษาที่เรียกว่าสมาธิวิภาราอิทิท่านมีฤทธ แต่ทิประเภทเนี้เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิต <c oughs> มีอำนาจของสมาธิจิตอีกอย่างหนึ่งที่ป้องกันอันตรายได้ท่านยกตัวอย่างเช่นพระนางอุตราอุตราเนี่ยเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเธอเป็นธิดาของท่านคุณกะเศรษฐีแต่ว่านางอุตราเนี่ยถูกหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งริสยา หาทางปั่นแป้งสมัยนะั้นน้ํากรดไม่มีกาก็เลยเที่ยวน้ํามัน ร, นร้อนๆเนี่ยเอาน้ํามันเพื่อที่จะลากหน้านางอุตราอุบาสิกาให้เสียโฉมเพราะว่าไม่มีน้ํากรดแต่ว่าระหว่างที่หญิงแท้สยาเนี่ยเอาน้ํามันลากนางอุตราน้ํามันนั่นก็เดือดมาก แต่พระนางอุตราเนี่ยเธอได้อบรมทางศาสนามากก็รู้พอรู้ว่าตัวเองถูกปุถุสลายก็เข้าจิตเข้าสมาธิจิตแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปให้ใหแก่หญิงแพทย์สยาผู้นี้ปรากฏว่าน้ํามันที่เดือดพล่านที่รบลงมานั้น่ะไม่ระคายผิวของนางอุตราเลยถ้าบอกว่าเหมือนใ ก, การเอาน้ํำฝนเย็นๆลดไปในใบบัวแล้วมันก็กลิ้งตกลงไปสู่พื้นดินไม่ระคายผิวของนางแต่อย่างได เนี่ยก็ด้วยอํานาจของสมาธิบิภาราอิทธิของพระนางอุตราที่เข้าสู่เมตตาสมาธิภาวนาแล้วก็เมตตาสมาธิภาวนาเนี่ยก็ช่วยปกป้องเธอไม่ให้ประสบกับอันตรายที่ยิงแพทย์สยากลั่นแกล้งได้อันนี้ก็เป็นผลของสมาธิจิตอีกเครื่องหนึ่งท่านยกตัวอย่างเช่นพระนางสา ม, มาวดีพระนางเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นรู้จักกันดี โดยเฉพาะผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆหรือแม้แต่ผู้ที่ดูระเมงละครก็คงจะเคยได้ชมเรื่องนางสามมาวดีตนางสามาวดีนี่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยไปได้อัครมเหสีอีกคนหนึ่งคือนางมาคันธิยานางมาคันธิยานี่ในประวัตินี่ แกไม่เบาเหมือนกันคือสมัยหนึ่งก่อนที่จะมาได้กับพระเจ้าอุเทนเนี่ยเธอเป็นสตรีที่สวยงามมากมาคันธียพรามกับนางพรามณีทั้งสองคนตายายก็อยากจะให้บุตรสาวของตนเนี่ยได้แต่งงานกับราชามหากษัิย์แล้วก็ผู้ที่จะมาเป็นบุตรเขยนั้นก็ต้องมีรูปร่างงดงามถูกต้องตามบุคลิกลักษณะของบุรุษแล้วก็ แกทั้งสองคนจะต้องพอใจด้วยมีกษัตริย์หลายหัวเมืองไปขอนางมาคันธียาแต่ตภรามกับนางพรรามมณีทั้งสองเนี่ยก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้เห็นว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยสวยควรที่จะได้กับสุภาพบุรุษที่มีรูปร่างงดงามเช้าวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จออกบินทบาตตามมาคันธียาพราหมณเนี่ยก็เห็นพระพุทธองค์ ว่าเอ๊ทำไมบุรุษผู้นี้จึงมีรูปร่างงดงามผิวพรรณผุดผ่องบุคลิกลักษณะก็สงาา่าผ่าเผยผู้นี้ควรที่จะเป็นบุตรเขยของเราก็เลยนิมนต์รับบาทที่หน้าบา้านบอกขอนิมนต์ท่านสมณะรับบาทด้วยพระพุทธองค์ก็เสด็จยืนที่หน้าบา้านตระพรามก็มากราวบอกว่าจะยกลูกสาวให้ ใสบาตละเจ้าลูกสาวใส่บาตพระพุทธองค์ก็ประทับนิ่งเฉยอยู่และก็ยังดูด้วยพระยานว่าตะพราหม่มีนิสัยที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกับนางราลมณีทั้งสองคนส่วนนางสามอานางมาคันธียานั้นไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลและก็นางเนี่ยจะเป็นสตรูตัวร้ายกาศตอบพระพุทธองค์ ตาพรามก็ดีอกดีใจให้พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จประทับยืนก่อนจะได้เข้าไปในบ้านไปเรียกนางพรามมณีมาบอกว่าเราได้รูกเขยแล้วเหมาะสมที่จะแต่งงานกับนางมาคันธยาบุตรสาวของตนเองระหว่างที่ตาพรามเข้าไปตามนางพรามมณีพระพุทธองค์ก็เสด็จหลบเชื่อมุมหนึ่งแต่ได้เอาพระบาทเนี่ยเหยียบรอยแผดดินเอาไว้เป็นรอยพระบาทนางพรามมณีออกมาเห็นรอยพระบาทที่นนั้น นางก็ทายลักษณะบุรุษผู้นี้ได้นางบอกบุรุษผู้นี้ไม่ใช่เป็นบุคคลผู้ยินดีในการครองเรือนเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วตาพรามไปเลือกคนที่ไหนมาตาพรามก็บอกว่าหน้าลองถามกันดูก่อนเถอะว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาสักครู่หนึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากที่หลบออกมาพบพราม์ทั้งสองระหว่างยืนสนทนากันอยู่เนี่ยนางมาคันศิยาก็แอบดูพระพุทธเจ้า อยู่ที่บนบ้านก็เห็นและนางก็เกิดความรักต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างมากมายทีเดียวแต่ว่าระหว่างที่พระุทธองค์ยืนโปรดตัพรามทั้งสองคนเนี่ยพระุทธองค์ตรัดตอบว่าเยา ว, ว่าแต่นางมาคันธียาเป็นบุตรสาวของตนซึ่งตามภาษาธรรมะท่านใช้คำว่า เต็มไปด้วยความปฏิกูลคือนางเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรูปสวยรูปเสยอะไรหรอกเต็มไปด้วดยความปฏิกูลต่างๆมากมายเต็มไปด้วยมูดปริกริตรแม้แต่รอยเท้าปลายเท้าของสถาบันก็ไม่ได้สัมผัสแม่นางมาคันภยาแกก็โกรธโกรธเป็นคืนเป็นไปเย้าว่าแกรูปร่างแกสวยทําไมสมนารูปเนี่ยมาดูถูกดูหมิ่นเราอ อุปมาเราเนี่ยเหมือนกับมูดเหมือนคูดเราปลายเท้าก็ไม่ได้สัมผัสถ้าเราได้เป็นเจ้าหญิงนครใดนครหนึ่งเราจะต้องแก้แค้นสมณะรูปเนี้ให้ได้ต้องหาทางแก้แค้นให้ได้พ ร, ระองค์ก็เทศนาโปรโดพรามทั้งสองจนตังพรามทั้งสองเนี่ยเกิดความสังเวชสดใจได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลและพ ร, ระองค์ก็เสด็จออกไปอยู่ต่อมานาะมาคัมภีานี่ก็ได้ แต่งานกับพระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีปรากฏว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาเผยแพร่ศาสนาที่นครโกสัมพีนางมาคันธยาทราบข่าวเท่านั้นแหละแกะหาทางคิดบัญชีทันทีแกะระดมคนในในวังทั้งหมดเนี่ยตลอดจนในเมืองมีเท่าไรเท่าไรระดมไปหมดแล้วก็มาสอนวางนโยบาย ว่าขอให้ด่าสมณะรูปเนี่ยทุกวันทุกวันตอนเช้าๆไปยืนข้างถนนด่าเรื่อยมีอะไรที่เป็นคำหยาบก็เอามาด่าให้หมดให้ด่าพระพุทธเจ้าขนาดยืนเรียงด่าตามถนนตามตรอกตามซอกตามซอยไม่ว่าจะไปบินธบาต ท, ที่ไหนละก็เดินด่าเรื่อยละปรากฏว่าพระพุทธองค์เสด็จออกบินธบาตตอนเช้าก็พบคนด่าด่ากันทั้งเมือง ถ้าอนน์ซึ่งเดินตามเสด็จอยู่ซึ่งเป็นพุทธอนุชาด้วยก็บอกเอเห็นท่าจะไม่ไหวและเมืองนี้คนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองแต่พุทธองค์เนี่ยทราบแล้วแล้วว่าคนที่มายืนด่าข้างถนนเนี่ยรับจ้างนางมาคันธยามาด่าคือพวกรับจ้างด่าไอ้สมณนะหัวล้ลนไม่รู้จักทํามาหากินมาขอทานเขากินอะไรต่อะไรแกด่าคำหยาบหยาบเพี้ยงได่าสารพัดด่า หยาบแล้วเกินในบาลีก็เขียนไว้พระอนนท์ทนไม่ไหวทนฟังไม่ไหวขนาดเป็นพระโสดาบันยังไม่ไหวเลยทูลพระพุทธองค์บอกว่าสเสด็จไปเมืองอื่นเถอะอย่าอยู่เลยเมืองนี้อย่ามาเผยแผ่เลยคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างเนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสแกพระอานน์บอกว่าอานอนเสียงด่าตถาคตอย่างเนี้มันอยู่ไม่เกินเจ็ดวันดอกเสียงเหล่านี้มันก็จะหายไป พระองค์อนะ่ะท่านได้ตรัสไว้หลายแห่งว่าท่านทําตัวเหมือนช้างแต่ั่าช้างที่เข้าสู่สงครามเนี่ยมันจะต้องอดทนต่อลูกศรที่ศัตรูยิงมาทั่วทิศให้เกิดความเจ็บปวดโดยไม่เกิดความกระวนกระวายต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อลูกศรฉันใดเราก็ต้องมีความอดทนต่อความชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้ เพราะว่าคนในโลกส่วนมากเป็นคนทุศีนพระพุทธองค์หาทางชนะคําด่าเหล่านี้ยด้วยการไม่ด่าตอบคือแกจะด่าอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ก็สเสด็จเดินบิณฑบาตเฉยไม่ด่าตอบแล้วก็ส่ายกับพระอานนท์ว่าเหตุมันเกิดที่ไหนให้มันดับที่นั่นเสียงด่าอย่างนี้ไม่เกินเจ็ดวันหรอกแล้วมันก็จะหมดไปเองจะหายไปเอง ก็ไม่เสด็จไปที่อื่นปรากฏว่าไม่เกินเจ็ดวันจริงๆพวกที่มายืนด่ามันเมื่อยมันเหนื่อยเลิกด่าไปเฉยๆพอเลิกด่าเหตุการณ์ทุกอย่างสงบดีแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จออกจากนครโกรสัมพีไปเผยพร่อย่างที่อื่นในเหตุการณ์เช่นเนี้ท่าทั้งหลายลองคิดดูถ้าเป็นเราบ้างมีคนด่ากันทั้งเมืองเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็คงจะ ด่าตอบบ้างทีนี้ไอ้การด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็แตมาเคยฟังคนด่ากันนั่งฟังไม่เกินสองชั่วโมงอะ่ะบดเรื่องด่าแล้วก็โยมผู้หญิงด่ากันนี่เจ็บไม่ใช่เล่นหรอกอีกคนหนึ่งคนแก่อีกคนหนึ่งคนสาวอีกคนหนึ่งยังไม่แต่งงานอีกคนหนึ่งแต่งงานแล้วแม้แต่ละคนแต่ละคนแคกก็ด่ากันฟังดูสิว่าใครจะชนะ แตมานั่งฟังดูไม่เห็นมีใครแพร้ใครชนะเพราะว่าต่างคนต่างเอาสันเอาคําที่เก็บแสบที่สุดเนี่ยขึ้นมาด่ากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรผลสุดท้าย้เราคนฟังเท่าด่าเนี่ยนึกรำคาญไปเองว่าเรื่องอะไรมานั่งฟังคนเข้าด่ากันไม่เห็นมันจะมีเรื่องอะไรผลสุดท้ายเราก็ต้องหนีเราคนฟังเองเนี่ยรำคาญเพราะฉะนั้นในเรื่องคาด่าเนี่ยพระพุทธองค์ท่านหาทางชนะคนด่าด้วยการไม่ด่าตอบ ก็เพราะเหตุประการด่าตอบกันนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วคนที่ด่าคนเนี่ยมันด่าไม่เกินเจ็ดวันถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกินเจ็ดวันถ้าคนธรรมดาเราเอาโบกอีกสักสิบเท่าคงจะไม่เกินร้อยห้าสิบวันมันก็ต้องเลิกด่ากันไปเองไม่เชื่อท่าทั้งหลายลองสังเกตดู ก, ก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะรับจ้างมาเขียนหนังสือพิมพ์ด่าหรือจะรับจ้างมาทางใดทางหนึ่งมายืนด่าหรือมานั่งนินทาว่าร้ายก็ตาม ให้แกนั่งด่าอย่างนันสักร้อยวันเนี่ยแกไม่เอาหรอกผลสุดท้ายแกก็เลิกด่าแต่ก่อนเคยมีหนังสือพิมพ์เขียนวิจารณ์เกี่ยวกับงานที่จิตภาวันเขียนวิจารณ์ตัวตัมมาตัมมาบอกว่าขอให้ด่าทุกๆวันนะ <laughs> อย่าเลิกด่า <laughs> เลิกด่าเลยคืออยากให้เขียนด่าทุกๆวันดูซิวมันจะเอาเรื่องอะไรมาด่าบ้างเราก็อยากจะดูซิวว่าคนที่ด่าเก่งที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมันจะด่ากันไปแนวไหน จะได้เป็นตำราด่าขึ้นมาสักเล่มหนึ่งไม่จริงอ่ะด่าก็ไม่กี่วันแหะแล้วก็เลิกเราก็รู้ว่าพวกเนี่ยคงจะไม่ได้รับค่าจ้างกันเลยหยุดด่าคือผู้จ้างไม่มีเงินจ้างด่ามันก็เลิกด่าต่อไปถ้ามีใครจ้างด่ามันก็ด่าต่อเนี่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเรื่องคําด่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าคําด่าเนี่ยมันมาจากไหนเขาด่ากันเรื่องอะไร บางทีให้คนเขียนด่านะมันไม่รู้เรื่องหรอกแม้แต่ตัวเราเองมันก็ไม่รู้จักงานมันก็ไม่รู้จักแต่มันรับจ้างเข้ามาเขียนด่ามันก็เขียนด่ากันไปตามเรื่องบางทีแม่โค้งขวดหนึ่งมันก็เขียนด่าได้อย่างเนี้ยมันเป็นปกติธรรมดาของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราพบคําด่าบ้างหรือมีใครมานั่งดินทาบ้างรับรองว่าไม่เกินร้อยห้าสิบวั น, ห ม, นหมดเรื่องดินทาหมดเรื่องด่า หรือจะใช้ชนิดที่ว่าด่าไปพักผ่อนไปเช่นบางทีอาจจะนั่งกินกาแฟไปนินทาไปอาจจะนั่งเล่นไพ่ดะนั่งเล่นไพ่ไปด่าไปมันก็ไม่มีเรื่องดา่าไม่เกินร้อยห้าสิบวันพระพุทธเจ้านะ่ะไม่เกินเจ็ดวันหมดเรื่องเนี่ยนางสา ม, มาว ด, ดีนี่แกเคยแกเคยมีเรื่องกับพระพุทธองค์มาแล้วร้วประจิตแกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไรมักเพราะฉะนั้นเมื่อ แกได้แต่งงานกับพระเจ้าอุเทนความปรารถนาตำแหน่งอัครมเหสีเนี่ยก็เกิดขึ้นเกิดความมักใหญ่ใส่สูงทั้งพ่อและแม่ก็สนับสนุนผลสุดท้ายแกก็หาทางที่จะรอบรงพระชนนางสามาวดีปายุแยกพระเจ้าอุเทนต่างๆนาน า, นาจนกระทั่ง พระเจ้าอุเทนเนี่ยหลงเชื่อนางมาคันธียาจะปรงพระชนนาสามาวดีโดยให้ยืนเข้าแถวแล้วก็จะยิงธนูเนี่ยให้ทะลุปรากฏว่าระหว่างนั้นนาสามาวดีเนี่ยเข้าสมาธิจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนยกธนูไม่ขึ้นแต่ยามเท่าไรเทไรก็ยิงไม่สาเร็จพอสุดท้ายต้องเลิกยิง นางก็เลยสั่งสอนนางกแกล้งถามว่าลำบากมากหรือมหาราชจะยิงทั้งทีเนี่ยลำบากเลอะเกินหรือเพราะว่านางเข้าสมาธิแผ่เมตตาไป mm hmm. ท่านก็บอกลำบากเลอเกินชั่นลาบากก็วางธนูเสียแล้วนางก็สอนบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ควรประทุษร้ายผู้ที่ม่ได้ประทุษร้ายต่อคือผู้ที่ไม่ได้ประทุษร้ายต่อพระองค์เลยเนี่ยพระองค์ไม่ควรไปประทุษร้าย เพราะว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นการบาปมากโดยปกติคนที่ประทุษได้คนอื่นโดยที่คนอื่นเข้าไม่ประทุษได้ตอบเนี่ยมันเป็นบาปเลิศเกินและก็บาปที่จะตามสนองบุคคลเช่นนั้นมีมากมายถึงสิธประการความวิบัติจะตามสนองคนที่ประทุษได้คนอื่นซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไม่ได้คิดประทุษได้ตอบตัวเองเนี่ยผู้ที่คิดประทุษได้ต่อคนอื่นนั้นจะต้องได้รับกรรมถึงสิทธิประการ เนี่ยเป็นบาปอย่างมากทีเดียวผลสุดท้ายก็เลยต้องเลิกที่จะปรงพระชนนางสา ม, มาวดีนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากอำนาจของสมาธิเรียกว่าสมาธิวิปภาราอิทิคือคนที่มีฤทธิ์เพราะสมาธิคอยปกป้องรักษาเมื่อมีสมาธิแล้วถึงแม้จะมีใครประทุสลายอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะปทุสลายได้สมเูรณเนี่ยด้วยอานาจของสมาธิวิภาราอิทิ ซึ่งเป็นฤทธิ์ประเภทที่ห้าทฤทธิ์ประเภทที่หกคือฤทธิ์เรียกว่าฤทธิ์ประเสริฐในบาลีใช้คําว่าอริยาอิทธิอาริยาอิทธินี้แปลว่าฤทธิ์ที่ประเสริฐฤทธิ์ที่ประเสริฐเนี่ยอย่างไรคือฤทธิ์ที่ประเสริฐนี่หมายถึงผู้ที่ใฝ่ใจในความปฏิกูล ว่าเป็นของปฏิกูลคือให้เห็นความปฏิกูลของสิ่งต่างๆและสามารถทํำสิ่งที่ปฏิกูลนั้นมิให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลได้อย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์ประเสริฐดูมันจะเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟวัวงว่าครั้งหนึ่งพระมหากักส ป, ปะเนี่ยท่านออกบินธบาทระหว่างบินธบาทนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นโรคเรื้อนนิ้วเนียเน่า แกก็ศรัทธาอยากจะใส่บาตรแต่ว่านิ้วอีกข้อหนึ่งเนี่ยมันเน่าจนกระทั่งจะหลุดอยู่แล้วตรงระหว่างที่ระหวา่หวางที่แกเอาข้าวใส่บาตรเนี่ยพอเอินไอ้นิ้วข้อนันะ้่ะข้อนิ้วที่มันเน่าจนจะหลุดอยู่แล้วก็เกิดหลุดลงไปในบาตรหล่นลงไปในบาตรของพระมหาจตปะถ้าเป็นพระสมัยปัจจุบันก็ต้องเอาข้าวทั้งบาตรนะไปเททิ้งแต่พระมหาจตปะไม่ได้เททิ้ง ไ้ฉันข้าวนั้นน่ะนั่งฉันยังไม่มีความรังเกียจเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระมหาตุตตะนั่งมีอริยาอิทธิท่านสามารถพิจารณาไอสิ่งที่ปฏิกูลที่น่ารังเกียจเหลือเกินเนี่ยวางเฉยต่อความปฏิกูลเหล่านั้นได้แล้วก็นั่งฉันข้าวที่บุรุษซึ่งเป็นผู้ที่มีมือเน่าใส่บาดข้อเน่าหลุดลงไปได้อย่างปกติด้วยความสงบอันนี้ด้วยอํานาจของอริยาอิทธิเนี่ยเป็ น, นข้อที่หก ทีนี้ฤทธิข้อที่เจ็ดฤทธิ์ข้อที่เจ็ดนี้เรียกว่ากรรมะวิปากระชาอิทธิกรรมวิปากระชาอิทธินี้แปลว่าฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรม เ, เช่นอย่างนกเนี่ยมันบินได้ถ้าคนบินได้อย่างนกเราก็เรียกว่าคนเหาะได้แต่นกนี่มันบินได้โดยที่มันไม่ต้องมาเข้าสมาธิภาวนาอะไรหรอกมันก็เหาะของมันได้เหมือนกัน ยิงนกที่ราาไปแล้วบินข้ามประเทศก็ได้บินข้ามทวีปก็ได้ถ้ามันไม่ถูกนกใหญ่รังแกมันจะ ก, ก่อนมันบินไปได้ไกลไกลเนี่ยที่นกบินได้เช่นนี้ก็โดยอำนาจของวิบากกรรมเป็นฤทธ์เหมือนกันแต่เรียกว่ากรรมะวิปากชาอิทธิแปลว่าฤทธิ์ที่เกิดจากวิบากของกรรมมันบินไปในอากาศได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมถะไม่ต้องเข้าวิปัสสนาไม่ต้องทาฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ดิทนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมของเขาเพราะฉะนั้นนกพลามเนี้ยจึงบินได้พอเหิอเดินอากาศไปไหนมาไหนได้อย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์เกิดจากผลของกรรมทีนี้ฤทธิ์ข้อที่แปดคือปุญญะวตโตอิทธิแปลวล่าฤทธิ์ของผู้มีบุญ เ, เรื่องของผู้มีบุญนี่ที่ว่าจะเป็นฤทธิ์เนี่ย เ, เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าศึกษา ดูว่าผู้ที่มีบุญนั้นามีฤทธิ์อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบุ ญ, ญยริษณ์นี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเราจะสังเกตได้จากพระราชามหากษัตริย์สมัย ก, ก่อนก่อนก็ดีที่ท่านมีบุญญาธิการมากเนี่ยท่านนักจะมีอะไรที่เป็นอภินิหารปรากฏการแปลกแปลกใหม่ๆซึ่งอันนี้เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งบุญแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ย ก็มีอภินิหารเกิดขึ้นหลายหลายครั้งที่เกิดขึ้นจากบุญยริศบางแห่งที่ท่านเสด็จไปเยี่ยมประชาชนเนี่ยประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำแห้งแรงเหลือเกินแต่พอในหลวงเสด็จไปฝนตกทางๆ ท, ที่ไม่มีข้าว่าฝนจะตกเนี่ยฝนก็ตกมาหรือบางทีมีพายุร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ท่านเสด็จไปแล้วแบบท้องว้าปโปรงแจมใสปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็เป็นด้วยอานาจของบุญ เรียกว่าบุญยริศเพราะว่ามีบุญมากก็ทําให้เกิดอภินิหารต่างๆเหล่าเนี้ได้นี่เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีบุญปุเพกตปบุญตาคือผู้ที่ทําบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงอิทธิต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วฤทธิ์ทั้งหลายแหล่ก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่เป็นด้วยอํานาจแห่งบุญของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เรีกว่าบุ ญ, ญายาฤทธิ์ฤทธิ์ข้อที่เก้าฤทธิ์ข้อที่เก้านี้ในบาลีใช้คําว่าวิชามายาอิทธิคําว่าวิชามายาอิทธินี้แปลว่าฤทธิ์ที่สําเร็จด้วยวิทยาคือสําเร็จด้วยวิชาท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องยาสั่งเกี่ยวกับเรื่องเสกตะปูเข้าท้องเสกหนังเข้าท้อง เรื่องคุณไสต่างๆเหล่าเนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่มากในท้องถิ่นที่มีความเจริญน้อยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ในเมืองหลวงก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ทำอย่างดีเหมือนกันบางทีก็เรื่องสเสน่ห์ยาวแปดบ้างฝังรูปฝังรอยบ้างเสกตะปูไปเข้าท้องคนน้นเสกหนังไปเข้าท้องคนนี้บ้างเ<อ>ถ้าเราเป็นคนหัวสมัยใหม่เราก็ไม่เชื่อว่าเอ้มมันจะเป็นไปได้ยังไง เศษตะปูเข้าท้องคนเนี่ยไปเศกหนังเข้าท้องคนเนี่ยไปเศษเข้ากันทางไหนเศกได้อย่างไรเเร า, าอาจจะไม่เชื่อแต่เท่าที่สอบถามบางท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเคยเห็นด้วยตาเองคือเมื่อผู้นั้นตายแล้วผ่าท้องมีตะปูเต็มท้องหมดหรือบางทีผ่าลงไปแล้วก็เจอหนังแผ่นโตที่อยู่ในท้องนี่อตมาเองก็ไม่เคยเห็น เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งก็คื อ, อ, อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเจ้าคุณเทพโมโรีอยู่วัดพระาธาตพนมบริวพระวัดพระบรมาธาตุจังหวัดนครพนมเนี่ยที่มีพระาธาตุใหญ่องค์นี้ท่านบอกว่าท่านชอบรักษาพวกนี้ท่านเก็บตะปูไว้ขวดหนึ่งอาตอมาไปท่านเอาตะปูมาให้ดู บอกเมีตะปูของเนี้ยผมเรียกออกมาจากท้อง <c oughs> จากท้องคนเจ็บเราบอกแม่หลวงพ่อเก่งนะเรียกตะปูออกมาจากท้องได้ท่าบอกว่าเวลาคนเจ็บคนป่วยมาหาในชนบทเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะรักษายังไงก็ใช้เวทมนต์คาถาใช้สมาธิเนี่ยเรียกตะปูเนี่ยออกมาแล้วก็ปรากฏว่าผู้ป่วยนั้นหายป่วยก็ปรากฏว่าถูกทําด้วยการถูกเสกตะปูเข้าท้องเราก็พูดกันเน้นๆว่า แม้ถ้าเจออาจารย์เก่งๆอย่างนี้ก็ดีคือไอ้คนไหนที่มันไม่ค่อยจะดีก็ไปเจาะตะปูเข้าท้องอ่ะที่ทําให้โรคเดือดร้อนเนี่ย ม, มันจะได้ไ ต, ตายตายสันทีหนึ่งพูดกันเร้นๆเลยท่านบอกว่าเนี่ยท่านใช้วิธีนี้เรียกตะปูออกมาจากท้องบางคนก็บอกว่าเห็นหนังหนังวัวห น, นังควายเป็นแผ่น ๆ, ๆออกมาอันนี้เท็จจริงอย่างไรนั้นก็ขอให้เราค้นฟ้าดู ก็เป็นเรื่องที่มีความจริงบ้างอย่างไรแต่คิดว่าสิ่งทั้งหลายแลหลเหล่าเนี้มันก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมทั้งนั้นจากผลแห่งกรรมเกิดกรรมของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงวิบากกรรมไม่พ้นตะปูมันจะไปอยู่ในท้องหรือนะมันจะอยู่ในท้องได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าในทาง อิทธิทางด้านหลักวิชานั้นผู้ที่ทำสมาธิจิตในด้านวิทยาการต่างๆเหล่านี้ยก็สามารถที่จะสาเร็จเป็นฤทธิ์ได้คือหอเสิเดินอากาศก็ได้ด้วยอำนาจของวิทยาเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกวิทยาธรพวกวรรณค ด, ดีนิยายเก่าๆ เ, เนี่ยเราได้อ่านพวกวิทยา